ช่เช้าอย่างนี้อากาศก็เป็นใจขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายจงมีความตั้งจิตตั้งใจที่จะบำเพ็ญเพียรจิตของท่านทั้งหลายไปสู่สภาวะบุญลักุศล จิตที่เป็นกุศลนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่ละความชั่วมาประกอบกรรมดีเจ้าๆอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจจงปลดลอกความง่วงเหงาของนอนจงปลดล็อกแห่งความที่ขี้เกียจ มีมานาทิฏฐิวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้มาประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ก็เกิดสัญญาให้เรานั้นมีความผูกพันในการมาประพฤติปฏิบัติ เรียกว่าสัญญาคนเราไม่มีสัญญาในการปฏิบัติในการภาวนารักษาศีลประเชอว่าใจของท่านก็คงไม่จดจอ่อไม่จดจำในสิ่งที่ได้พึงกระทาอยู่ในขณะนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจ เข้าไปในใจแล้วก็ยิ้มเข้าไว้ก่อนที่เราจะได้มีสตมีสติรู้ตัวเราจะต้องมีกำลังใจที่เหนือกว่าอบายภูมิทั้งสิน้นอบายภูมิก็คือภูมิของเปรสุรกายสัตว์เดรัจฉาน ที่มีจิตชั่วตกต่ำที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์ยอมเป็นสิงสาราสัตว์หรือมแมลงน้อยใหญ่ตามที่หลวงพ่อได้พูดไว้ในขณะนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงยกระดับจิตของท่านให้หลุดพ้นจากอาสวะสิ่งมัวหมองก็คือกิเลส เข้าไว้จงเข้าไปสู่สภาวะสมถะวิปัสสนากรรมฐานคําว่าสมถะก็คือการพิจารณาสมถะก็คือการพิจารณากายในกายว่าโอโนอร่างกายของเรานั้นเป็นสิ่งสมมุตริร่างกายของเราก็สมมุติประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟ รวมทั้งอากาศสธาติเรียกว่าขันห้าที่เขาบอกกันว่าในคำพระเรียกว่าขันห้าก็ประกอบด้วยถาดดินก็คือกระดูกถาดน้ำก็คือน้ำเลือดน้ำเหลืองค่อยๆพิจารณาถาดไฟก็ทำให้เราในอบอุ่นมีความร้อนอยู่ในตัว ลมเราก็หายใจลมเนี่ยหมุนเวียนทําให้เลือดลมของเราเนี่ยหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเมื่อธาตุลมเกิดแล้วดินน้ําลมไฟเกิดประกอบอยู่ร่วมกันเราก็ค่อยพิจารณาเรียกว่าสมาถะรวมทั้งอากาศาธาตุที่เราหายใจลมเข้าไปเนี่ยหายใจเข้าพธิพธิแปลว่าผู้รู้ แในขณะหายใจเข้าเราก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายิ้มเข้าไว้โตแปลว่าพูดตื่นผูกเบิกบานว่าเราหายใจออกเราก็ตื่นจากกิเลสมีความเบิกบานใจมีสติรู้ตัวอยู่เสมอว่าโอ้หนอร่างกายเราก็ประกอบแค่ดินน้ำลมไฟรวมทั้งอากาศสัตว์าน เมื่อเราพิจารณาเรียกว่าสมัตก็คือสติสติมีความรู้ตัวมีการพิจารณาเรียกว่าสมัตเมื่อขึ้นสมัตเสร็จเราก็มีวิปัสนาประกอบคู่กันไปเหมือนกายกับจิตวิญญาณวิปัสนาก็คือปัญญาร้นๆนเรามีปัญญารอบรู้ ในกองสังขารรู้เท่าทันว่าร่างกายเรานี่ประกอบแค่ดินน้ำลมไฟเองร่างกายเราก็ยังประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ด้วยประกอบด้วยธาตุทั้งสี่อจิตวิญญาณกักายวิญญาณนี่มันคนละอย่างกันเลยนี่จิตวิญ ญ, ญาณก็คือมีความรับรู้ ร้อนหนาวร้อนเย็นมีความรับรู้ว่ามันทุกข์มีความรับรู้ว่าสุขสมถะ ก, ก็คือเราแค่เห็นมองแต่ร่างกายเราตั้งอยู่ในขณะนี้ว่าเราตั้งอยู่ในเรา ไม่เคยพิจารณาด้วยสติปัญญาปัญญาคือความรูเร้เมื่อเรารู้เท่าทันว่าร่างกายของเรานั้นมันไม่ใช่ของเราเลยเหรอนี้ร่างกายของเราก็เพียงแค่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟ ป, ปัญญาเราร่งรู้ว่าโอ้โนอเกิดมาเนี่ยมีแต่ความสมมุติ สมมุติก็คือรูปนามรูปก็คือรูปร่างของเราเนี่ยในขณะนี้เนี่ยดังเดยอยู่เนี่ยมีหัวมีตามีหูมีปากมีจมกูกเขาก็สมมุติชื่อมีแขนมีขา มีหลังมีท้องมีน่องมีนิ้วชื่อเนี่ยก็คือสมมตุติแต่จริงๆแล้วความจริงเนี่ยก็คือแค่ธาตุองค์ประกอบเท่านั้นรูปก็คือรูปที่เป็นเรือนร่างที่ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็ค่อยๆพิจารณาไป เราก็ค่อยค่อยมองตัวเอง <c oughs> เห็นเป็นกระโหลกเลย <c oughs> เคยเห็นกระโหลกปีไม่มองถึงหน้าเรา <c oughs> โอ้ n อ, อชีวิตเรามีหนังหุ้มกระดูกเท่านั้นเองเหรอหน้าตาเราว่าสวยร้างหน้าแปรงฟันเอาแป้งเครื่องปะทินฉม ม, มมาทามาถูส่งผมก็แค่ เป็นกระดูกอย่างชนิดหนึ่งที่ออกมานอกเนื้อผมเราก็คือธาตุที่เป็นธาตุเหล็กก็คือกระดูกที่ออกมาเป็นสีเท่านั้นเองมันงอกงามออกมามาปกมาคุมศีรษะเราแสดงว่าหัวเราเนี่ยเปลียบเสือมเมื่อมอกองนะเมื่อกองเครื่องนะ รถยนต์ก็มีหมอ้อกองที่จะระบายความร้อนเออแสดงว่าหัวของเราเนี่ยกระีสัตว์เนี่ยทำไมมันมีขนเยอะทำไมมันมีเส้นผมเนี่ยมากมายหลายร้อยล้านละเกินแสดงว่าไอ้หัวเนี่ยมันก็คือหมอ้อกอง มันกรองอะไรมันรับอะไรมันรับภาระอะไรเราก็ไม่เคยรู้อยู่ก็เพิ่งจะรู้วันนี้นี่แหละมีการสมรถธิ ก, ก็คือการพิจารณาเมื่อมีการพิจารณาก็มีปัญญาที่หลวงพ่อบอกเราเพิ่งจะรู้ว่าโอ้โนอหัวเราเนี่ยแสดงว่ารับภาระมาก สมองเราเนี่ยด้านซ้ายด้านฝาเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็คิดอีกด้านหนึ่งก็จดจําวันหนึ่งวันหนึ่งเ ร, เราคิดอะไรบ้างการคิดเนี่ยก็คือจิตวิญญาณเมื่อจิตแสวงหาเรียกว่าวิปัสนาและตอนนี้จิตร่างกายก็เรียกว่าสมาถ t h จิตก็เรียกว่าวิปัสสนานักปฏิบัติทั้งหลายหลวงพ่อเริ่มเข้าวิปัสสนาสอนวิปัสสนาแล้ววิปัสสนาก็คือปัญญาที่เราร่วงรู้มาตั้งแต่วันแรกจิตวิญญาณก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์คิดคิดปรุงแต่งไปว่า แก้วแหวนเงินทองเนี่ยที่เราปัถนาเราไม่รู้เหตุรู้ผลว่าเราได้เงินมาเนี่ยมันก็แค่กระดาษแก้วแหวนเงินทองก็คือเรียกว่าเศษหินเศษกวดเศษทรายแต่มันมีมูลค่าที่เรานิยมก็คือสมมติว่าทองคาเนี่ยมันหายากมันน้อยกะ น, น้อยกว่าดินน้อยกว่าน้ำนะ แต่หินที่เป็นเพชรเป็นแสงเป็นสีเนี่ยมันก็มีน้อยกว่าหินธรรมดาเนีก็เรียกว่าแก่นเป็นของหายากแก่นก็คือของพิเศษเนมันมีเศษมันมีเล็กมันมีส่วนที่แข็งแกร่งมากเช่นทับทิมมันก็มีสีแดงๆเนี่ยค่อยๆพิจารณาไป แก่นก็คือาธาตุธาตุก็คือกระดูกเรานั้นเองกระดูกเนี่ยเราต้องรับภาระนะในมนุษย์เป็นโครงกระดูกที่ตั้งอยู่เลยมันตั้งอยู่มันพยายามเป็นรูปร่างนะเขาเรียกว่ารูปนามมันเป็นรูปร่างที่ทรงที่อยู่เฉยนะ แต่กระดูของเราเนี่ยธาตุดินเนี่ยมันมีมากมีตั้งสองยหชิ้นในร่างกายเราแต่ละส่วนแต่ละชิ้นนี่ก็มีภลระมีหน้าที่แต่มันคงอยู่เฉยๆใครเอากระดูขึ้นมาเล่นได้บางใครแลกกระดู ก, กันได้บางไม่เหมือนแก้วแหวนเงินทองน จิตนึกแหละปัญญาเกิดภายในก็ภายนอกภายในก็รู้พ่อก็ก็คือสมถะให้พิจารณากายในกายร่างกายเราก็ประกอบแค่ธาตุดินน้ำลมไปเมื่อเราเห็นภายในเนี่ยเป็นกระดูกเป็นโครงกระดูกนั่งอยู่เนี่ยมันมีคุณค่าอะไร ท้าสุดล้วนแต่เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเราไอ้ที่เป็นกระดูกอยู่เนี่ยที่เรายึดมั่นว่าของสวยของงามที่เรายึดมั่นว่าตัวกูของกูเนี่ยเราเนึกถึงโคงกระดูกตัวเองเข้าไปสิอย่าเอาความง้งเหงาเขาเบาปัญญาเอาภาระของความเคยชินที่เรา ไม่เคยตื่นเช้ารเราบทมาเราก็ไม่เคยปฏิบัติตัดทิฏฐิมานะความง่วงเหงาเหานอนความที่เป็นขี้เกียจของเราที่เป็นกิเลสคอบงาก็คือตัวโง่เขาเมาปัญญาแต่วันนี้หลวงพ่อสอนทั้งสติแล้วก็ปัญญาสติก็คือความรู้น มีความรู้ตัวก็เรียกว่าสมถะกับพิจารณาในตัวนั่นเองเมื่อมองเห็นตัวเองเนีนเป็นโครงกระดูกก็ใช้ปัญญาพิจารณาเลยว่าโอ้เนอร่างกายเราท้ายสุดก็เหลือแต่ผ้าขาวห่อกระดูกค่อยคอยนึกไปว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นโครงกระดูกท้ายสุดก็เน่าเหม็น ถูกไฟมันเผากระดูกก็กรองรวมกันก็ค่อยๆออพิจนารณาไปในตัวเองว่าเราเคยไปเผาศพเนื้อเผาผีนั่นแหละนึกถึงไปเลยว่าโอ้กระดูกเราก็เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยท้ายสุดเนี่ยเราก็อยู่ในหอผ้าขาวล่ะเนี่ย สติมีความรู้มีความปรุงแต่งนึกในเรื่องของปัญญาบารมีก็ไม่เมื่อเห็นคนตัวเมื่อเห็นตัวเราก็ค่อยๆพิจารณาความเสื่อมสลายลงไปไฟมันก็เผาร้อนเดือดปุด ป, ป, ปไปพอหมดเนื้อหมดหนังหมดเอ็นหมดเลือดฝาดเนี่ยมันก็แห้งเหมือนเราปิ้งปลา ตัวเราก็ดำไฟก็ไหมเผาไปค่อยๆพิกกระนาบไปพอเผาเสร็จมันค่อยๆแห้งเหมือนปา ย, ย่างเหมือนไก่ ย, ย่างนั่นแหละแห้งลงไปแห้งลงไปค่อยๆมองตัวเองไอ้นึกก็เรียกว่าจิตปัญญานึกเนี่ยเรียกว่าจิตปัญญาจิตที่มีปัญญาเราก็นึกเห็นว่าโอ๋เนา ร่างกายเราจะต้องถูกเผาร่างกายเราจะต้องเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เลยรูปนามแห่งนี้เมื่อเราพิจารณาก็เห็นกระดูกเราเนี่ยกรองไว้บนสังกสีไอ้ถาดที่รองกระดูกที่เมนเนี่ยที่ไอ้สัพเพเรอมันเผาเรานี่แหละแทนที่เราจะเชิญจเจ้าฟ้าจเจ้าบั่นดิน ในวาระสุดท้ายเนี่ยเชิญนายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีเชิญแขกผู้มีเกียรติแค่วางดอกไม้จันท์เท่านั้นแหละเป็นสิ่งสมมติทั้งสิน้นท้ายสุดเนี่ยไอ้สัพเเหรอเนี่ยคือคนที่มันเฝ้าเฝ้าวัดสัพเเหรอเนี่ยมันก็มีค่อยๆพิจารณาไป ไอ้สัพเเหรนี่มันก็ไม่มีงานมีการอยู่แล้วคนที่เป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นข้นนรหรากบกาเจ้าคนไหนคนไม่เห็นว่าเป็นสัพเหรอเลยไอ้สัพเเหรนี่มันก็เป็นคนยากจนแต่อัตมาไม่ได้ดูถูกคุณยมที่เป็นสัพเหรอไอ้สัพเเหรอนี่มันก็เป็นคนที่ บางคนก็ทานเหล้าเมายาเป็นคนจนที่คอยมาอนุเคราะห์เนี่ยสับปเปลยเรียกว่าอนุเคราะห์แล้วคนที่เชิญแขกเหลือมาใหญ่โตมากมายมาเป็นหมื่นเป็นพันละ่ะที่เ้าเชิญเรียกนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเชิญอธิปดีใหญ่โตเดี๋ยมาเผาศพ เชิญเสด็จเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเชิญเสด็จมาว่าคนตายเนี่ยประกาศกันใหญ่เลยว่าเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นผู้มีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลประกาศคุณงามความดีเชิดชูกันใหญ่ท้ายสุดไอราบยศสารเสริญเนี่ย ก็เสร็จแค่ไฟเท่านั้นเองบานหลังสุดท้ายก็แค่กว้างสอกยาววาใบหมอนใปสุดท้ายของเราก็คืออยู่ในโรงนั่นแหละผ้าห่มมันก็มีไปผืนหนึ่งมือก็ถูกสายสินมัดค่อยๆพิจจรณาไปกำหนอกไม้ก็กาไม่ได้เพราะมือมันรอกแข็งเส้นเอ็นมันยึดมัน มันแข็งไปหมดมันถูกสตารไปหมดดินน้ำลมไปมันไม่ทำงานแล้วจิตวิญญาณมันออกออกจากล่างแล้วเหลือแต่กายวิญญาณที่มันแข็งเหมือนสรางพืชสราสัตว์เหมือนสัตว์ตัวหนึ่งที่กำลังนอนเคยเห็นปลาตายไก่ตายไหมหมูตายวัวตายช้างตายคนตายเนี่ยก็ไม่ต่างกับสัตว์ เมนนี่ยเขาก็มีช่องใส่ช่องมันก็กว้างแค่สอกกว่ากว่ายาวก็วากวากว่าส่วนสูงของมนุษย์ก็เอามาเป็นเกณฑ์ก็เอาใส่ลงเอาหมอนวางไปเอาพยางรองด้วยกันน้ำเลือดน้ำเหลืองเอาพลาสะติกเนี่ยพลาสะติกสิ่งสุดท้ายของพวกเองเนี่ย ก็มีสาพาสติกสีดำบางสีหลายบางตอกลองลงลงลองลอ ง, ล ง, ล ง, ลงกันน้ำเลือดน้ำเหลืองมันหยดลงมาหน้าเกียดแต่คนเป็นโรคเป็นไฟที่ติดต่อเนี่ยหมอเขาก็ใส่มือใส่ถุง เ, เอาถุงใส่แล้วก็ลูดฟิปดอกไม้ทูบเทียนก็ไม่ได้ไปแล้วคอแพ็กเหมือนกับเราเนี่ย หอสัตว์ที่แช่เย็นนั่นแ่ะค่อยๆ พ, พิจารณาไปเมื่อพิจารณาที่หลวงพ่อพูดก็ค่อยๆมองตัวเองเห็นว่าโอ๋น้องรูปนามที่เราว่าเป็นตัวกูของกูท้ายสุดก็เป็นผีแหละเนี่ยอาธิจังเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ไว้ไม่ได้ เหมือนการเวลาก็คือวันเวลานั่นแหละมีเช้ามีสายมีบ่ายมีเย็นมีมืดมีแจ้งหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งอายุคนเราเนี่ยก็ไม่เกินร้อยเนอะไม่เกินร้อยปีหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันวันนี้เราก็มาอยู่ได้ตั้งสี่ห้าวันแล้วหลายชั่วโมงแล้วเออเนาะ เราได้แก่ชร า, าลงไปทุกทีทุกทีคนแก่ผมผมก็คือกระดูกอยู่ที่บนศรีรษะเราเนี่ยค่อยค่อ ย, อยพิจารณาไปกลับไปกลับมาวนไปวนมาสติคือความรู้ตัวเรามีความรู้ตัวเนี่ยวนเวียนอยู่ในตัวเราเนี่ยได้เห็นเหตุและเห็นปัจจัย ได้เห็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นก็คือรูปรูปร่างเป็นผู้หญิงผู้ชายก็คือเรานี่แหละนามก็คือชื่อชื่อก็คือความสมมตุติร่างกายของเราก็สมมตุติติดตั้งอยู่เนี่ยที่เป็นศรีรษะก็คือกระดูกเป็นกระโหลกลูบโบเลยเอาลูกตาออกมันก็กลวงโบ เอาจมูกที่โดงดงามเนี่ยมันเน่าออกไปมันก็รูโบสองรูไอ้รูหูที่งดงามที่ห้อยดอกห้อยของสวยของงามเนี่ยมันเน่าเฟะหลุดออกไปก็เป็นรูโบไอ้สมองที่เราจําด้วยคิดด้วยการที่เรามองเห็นหูที่ได้ยินปากที่กัดกินสัตว์เดรัจฉานกัดกินของตายของเน่าของเหม็น สร้างพืชสร้างสัตว์เดินลองพิจารณาซิาว่าโอ้เนอเรานี่เป็นนี่หรือมนุษย์นี่เหรอสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานึกภาพซิว่าเรากําลังกินสรากพืชสร้างสัตว์ไม่ต่างว่าที่หมากินสรากพืชสร้างสัตว์ของเน่าของเหม็นไม่ต่างกับหมาที่กินขี้อยู่ในปัจจุบันที่เราเห็น ร่างกายเราก็เน่าเหม็นมีกลิ่นคุกค้างไปหมดทรงผมแล้วถ้าเราไม่อาบไม่สระหัวเนี่ยผมเราเนี่ยไม่ตัดออกเนี่ยมันก็ยาวเป็นกระเซิะกระเซิงเหมือนสางเรียกว่าสางสางก็หมายถึงว่ามันยุ่งเหยิงไปหมดเขาเรียกว่าผีสางโอ้เนาสางก็คือสิ่งที่ลกลุงหลังน่าเกลียดน่ากลัว เราลองพิจารณาเห็นคนที่ไม่มีสติก็คือคนวิกลจริตก็คือคนบ้าคนบ้าเนี่ยมันก็ตัดผมไม่เป็นมันก็ปล่อยผมลกลุงลังพันกันเดินด้วยความสกรปรกโสโครเพราะไม่มีภูมิปัญญาไม่มีความรู้สติรู้ตัวรู้ตนที่จะรักษาความสะอาดได้ มันก็ไม่ต่างกับสัตว์ช้างมาวัวควายหมามันยังเรียตัวมันมันใช้ลิ้นเรียทำความสะอาดแต่ถ้าเป็นหมาบ้านี่มันก็วิ่งน้ำลายฟูมปากวิ่งไปอะไรฝังหน้ามันก็กัดแหลกไวหมดเหมือนมนุษย์เลยถ้าเรามีสติมีสติรู้ตัวเนี่ยก็รู้จักรักษาอารมณ์ รักษาตัวเองรักษาผมรูปร่างมีความระอายเราเกิดความอายแต่ถ้าเราขาดสติคือความรู้ก็คือตัวปัญญาเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาความรู้สึกของมนุษย์ที่เกิดขึ้นผมก็คือธาตุดินที่มันงอกออกมา ทำไมผมมันงอกออกมาเยอะขนาดนี้มันจึงมีรูพุนเต็มศีรษะเราเลยค่อยๆพิจารณาไปปกไปเวียนมาอย่าทำเป็นงงส่วนเราคิดอย่างอื่นทำไมคิดไวจังคิดเรื่องเงินเรื่องทองในไว้นักจดจำได้หมดทุกบาททุกสตังค์แต่พอมาคิดของตัวเองบ้างคิดไม่ออกนึกไม่ได้ รู้ไม่เท่าทันที่หลวงพ่อพูดก็เราไม่เคยพิจารณาตัวเองชอบไปโมว่าไปฝึกวิปัสสนามาวัดนั้นวัดนี้ชอบไปโมว่าเราไปปฏิบัติธรรมมาไปเข้าวิปัสสนากรรมฐานมาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเรียกว่าอารมณ์ชั้นสูงก็คือตัวปัญญาที่หลวงพ่อกาลังบ่งบอก ให้พิจารณาหาเหตุหาผลเมื่อรู้เหตุรู้ผลแล้วเนี่ยจิตของเราก็รู้สึกคลายความที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าโอ้เนอนี่เหลือตัวอันนี้จังเป็นของไม่เที่ยงสมองเราที่คิดตามมองหูได้ยินปากเนี่ยเหมือนเป็ดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานกินซากพืชซากสัตว์เข้าไป กินของที่ตกอยู่ในอบายภรมเช่นกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยมันตกจากความเป็นมนุษย์ก็คือกระทำความชั่วไว้ที่หลวงพ่อบอกกอเอย๋ยกอกรรมกรรมเมันทำให้เราเกิดเมื่อเกิดมาจะต้องปรุงแต่งด้วยกิเลส ท, ที่พ่อแม่อบรมขัดเก่ามา จะต้องเป็นเจ้าคนในคนตัวเองสอนก็ไม่พอพ่อแม่ปู่ยา่าตายายพี่น้องเนี่ยลุมสอนใส่ด้วยคำพูดต่างๆนานาจริงบ้างเท็จบ้างเราก็ค่อยๆพิจารณาว่าโอ้เนาะแค่เราลืมตารู้ภาษามาเนี่ยเห็นโน่นเห็น น, น, น, นี่เรามองเราก็คิดปรุงแต่ง ไอ้สมองเราเนี่ยอีกด้านซ้ายดา้านฝาคิดปรุงแต่งแล้วก็จดจํามันจดตรงไหนจําตรงไหนมันเอาเข้ามาไว้ที่ใจก็คือจิตวิญญาณเราก็คือหัวใจก็คือดวงจิตนี่แหละสมองเป็นคนสั่งงานมองเห็นรับรู้หมดมืดแจง้งแสงสีแดงเขียวเหลืองบ่วงคามฟ้า เห็นหมดรู้หมดไอ้สมองอีกส่วนหนึ่งมันก็จำโอ้โ ห, โหเราเนี่ยทั้งได้ยินทางหูตาได้เห็นปากได้ลิ้มรสไอ้จิตวิญญาณเนี่ยจิตคือความสัมผัสรับรู้ร้อนหนาวเปรี้ยวหวานมันเค็มแค่สัมผัสเท่านั้นเองสมมุติลดเท่านั้นเอง แไอจิตวิญญาณเนี่ยมันรับรู้ว่าโอเปียวโอนิหวานพอแล้วเรียกว่าจิตวิญญาณรับรู้จิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยมันเป็นธาตุลมโยมนักปฏิบัติทั้งหลายธาตุลมเนี่ยลมเนี่ยคือจับต้องไม่ได้มันเบาเห็นไหมลมเนี่ยลมเนี่ยมันลอยไปพัดมา มันไม่รู้ทิศรู้ทางเลยจนมากระทบกายวิญญาณเราก็คือธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยมันมากระทบดันซ้ายบางขวาบางในขณะนี้เนี่ยจิตวิญญาณก็รับรู้ว่าลมมากระทบเมื่อเรารู้แล้วว่าเท่าเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าอะไรมากระทบเราเนี่ยเราก็เกิดความสงสัย ก็เหมือนกับสิ่งที่เรามากระทบใจเนี่ยเรารับรู้จากทางตาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าก็คือรูปรสกลิ่นเสียงรูปเนี่ยเราก็มองเห็นด้วยดวงตาเมื่อตาเรามองเห็นเนี่ยจิตวิญญาณเราก็รับรู้ว่าเห็นเรียกว่าจิตวิญญาณกับกายวิญญาณเนี่ยลมมันพัดเนี่ย จิตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นาธาตุลมแสดงว่าจิตวิญญาณก็คือจิตนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นเพียงแค่อารมณ์เท่านั้นเนี่ยค่อยค่อยคิดไปแล้วปัญญาบารมีเกิดแล้วว่าโอ้เนาะอ๋อจิตวิญญาณเรานี่มันร่องรอยที่เขาบอกว่าตรงนั้นผีมันสถิตอยู่นะ ไอ้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันมีผีสถิตยอยู่มันมีจิตวิญญาณร่องรอยไอ้ที่เขาบอกกันไอ้ที่เขาพูดกันเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้สมมุติต่างๆนานๆเนี่ยไอ้ที่เขาพูดกันมาหมื่นแปดร้อยพันประการเนี่ยอ๋อนี่แหละจิตวิญญาณคนตายแล้วเนี่ยจิตวิญญาณมันออกทางไหน มันออกทางจมูกอะไรมันออกมันเป็นตัวมดออกมาหรือมันมีสิงสารสาัตว์ออกมาหรือหรือว่ามันเป็นดวงสีนั้นสีนี้แม่ปรุงแต่งกันคําว่าออกก็ไมายคือหายใจลมมันออกมานั่นเองเมื่อลมหายใจออกมาแล้วเนี่ยมันไม่หายใจเข้าเข้าไม่ได้ออกไม่ได้เนี่ยมันก็ตายแล้ว เสื่อมสลายแล้วเขาถึงบอกว่าอ๋อตอนดับเนี่ยจิตดับเนี่ยหมอเขายังเอามือรมจมูกเลยเอามืออังอังจมูกเอามือมากดชีพจรที่หัวใจที่มันเต้นที่ร่างกายมันทางานอยู่ไอ้มนุษย์สันดานชั่วไอ้ที่ไม่รู้จริงมันก็บอกว่าโอ้จิตวิญญาณ มันออกทางจมูกมันเป็นแสงพุ่งพวยพุ่งลอยออกไปเลยว่าไปนั่นเลยปรุงแต่งไปคําว่ามันออกทางจมูกก็เราก็ได้ลมนั่นเองจิตวิญญาณก็คืออากาศสาัทธามันเป็นอากาศที่ออกไปที่หายใจออกแล้วไม่เข้าก็คือความตายความเสื่อมสลายพังสลายนั่นเอง เมื่อธาตุดินน้ำลมไปเนี่ยมันทำงานไม่ได้ก็เหมือนเราเหน็บชาเนี่ยปวดขาในขณะนี้เนี่ยไอเลือดดมดินน้ำลมไปของท่านทั้งหลายเนี่ยไม่เคยมานั่งท่านี้พอนั่งนานๆเข้าไอกายวิญ ญ, ญาณกับกจิตวิญญาณให้พิจารณาวนไปเวียนมาเพื่อให้ลืมพระพุทธเจ้าใช้อุบาย ให้พิจารณาสมถะก็คือการพิจารณากายในกายหรือให้พิจารณามองเห็นอยู่ในกายเป็นเนืองิดเท่านั้นเพื่อหาอุบายให้เราเนี่ยรู้ตัวรู้ตนก็คือสตินั่นเองเมื่อเรามีสติสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์ก็คือร่วงรู้ว่าโอ้หนามันปวดหนาที่เขาบอกว่า ปวดหนอในขณะที่ปวดเห็นหนอรู้หนอยุบหนอพองหนอมึงภาวนาไปทําไมภาวนาเป็นคนที่ไม่รู้เลยไม่รู้เหตุรู้ผลยุบหนอพองหนอมึงยุบมันก็พองพองมันก็ยุบมึงก็เห็นอยู่แต่ไม่รู้เหตุเพราะไม่มีปัญญา เมื่อเรามีปัญญาว่าไอ้ที่มันพองออกเราก็สูดลรรมเข้าไปช่องท้องมันก็พองเข้าไปเมื่อสูดลมก็คือธาตุลมลมก็มีอากาศสาธาตุนี่มันมีอากาศทําให้ร่างกายเราหมุนเวียนในขณะที่เรานั่งวิปัสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าให้พิจารณาเห็นทุกข ร่างกายของมึงว่าสวยนักดีนักไงมันหนักนักไหมล่ะตอนเนี้ยมันไม่ได้ปวดที่กายมันรู้ว่าปวดตรงนั้นจิตวิญญาณมันรู้เลย ว, ว่าเน็บชามันกินตรงนี้อะไรมันทําให้เกิดเป็นเน็บชากดดินน้ําลมไฟมันทํางานไม่ปกติเราเคยเดินไปโน่นไปนี่เดินมากมันก็ปวดเมื่อย ไปนั่งมากมันก็ปวดมันก็เจ็บเมื่อยเหมือนกันเออก็เพราะว่าวิญญาณกับกายวิญญาณจิตวิญญาณกับกายวิญญาณเนี่ยมันคุ้นเคยว่าจะต้องไปนอนไปนีเนนน่เดินนั่นเดินนี่ผ่อนกิริยาตลอดไม่เคยอยู่นิ่งคำว่าไม่อยู่นิ่งก็คือจิตไม่เคยนิ่งเลยที่เราบอกว่าแม่เรามาฝึกวิปัสสนา วันนี้จิตไม่นิ่งเลยเนี่ยรู้ไปนั่นแต่ไม่รู้จริงสัจจะคือความจริงความจริงที่มันปวดเมื่อยก็เพราะว่าเลือดลมมันเดินไม่สะดวกเมื่อไอากายวิญญาณเนี่ยมันเดินไม่สะดวกซะและ้วจิตวิญญาณก็รับรู้ว่ามันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เราก็ไปใส่ใจเขาสนใจไอจิตเนี่ยไปจดจอ่อเขาเรียกว่าจดจอ่อ ไปจดจอเพราะไอ้จิตเนี่ยมันเป็นาธาตุไอ้กายวิญญาณกายวิญญาณเนี่ยมันหิวร่างกายมันต้องการอาหารเหมือนกับต้นไม้เราไม่รดน้ำพรวนดินใส่สารอาหารให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันก็ไม่เจริญงอกงามมันก็เหี่ยวเฉาเราก็มามองตัวเองอีกว่าร่างกายของเราเนี่ยถ้าไม่ กินอาหารนะกินแร่ธาตุให้กินแร่ธาตุต่างๆจากพืชมนุษย์เป็นสัตว์กินพืชมาเป็นอาหารในต้นพืชต้นพืชเนี่ยก็คือผักใบไม้ใหญ้าเนี่ยมันก็มีซากพืชซากสัตว์ที่ล้มตายลงไปที่มันเป็นดินนี่แหละมันก็ดูดสารอาหารมิถาดเตือแร่บ้างธาตุเหล็ก ธาตุดินธาตุตะกัวธาตุดีบุกทองคำทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดแสงเกิดสีที่เขาบอกเอาโนโวงโนวาหาอะไรเนี่ยที่กินเข้าไปแล้วทำให้สดให้ไม่ให้แก่ะรอความแก่ไม่เห็นมีใครผ่าไม่แก่เลยในโลกนี้ ไม่เห็นมีใครเลยที่หัวไม่งอกอกแต่ว่ามันตายก่อนแก่จึงหัวไม่งอกแล้วค่อยๆพิจรารณาเรื่องของสมรรถะอีกแล้วปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารรู้ในตัวตนของตัวเองก็คือเรียกว่าสติเมื่อเรามีรู้มีความเข้าใจเรียกว่าตัวปัญญาเรียกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ย มันก็เวียนวกเวียนวนอยู่ในตัวตนของตัวเองชอบไปพิสูจน์ตรตวจตาเหมือนเรายังตรวจตาทรัพย์สมบัติของเราเลยทําไมที่มึงยึดว่าตัวกูของกูเนี่ยทําไมมึงไม่ตรวจตาร่างกายของตัวเองเห็นความเสื่อมสลายตัวอันนี้จังมนุษย์และสัตว์และพื้นโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่เนี่ย มันจะต้องเกิดขึ้นจากมนุษย์ประดิษฐ์บ้างธรรมชาติมันสร้างทับถมกันมาแต่สภาพเป็นรูปนามต่างๆนาน า, นาอันนี้เป็นต้นไม้บ้างอันนี้เป็นหินอันนี้เป็นน้ำอันนี้ของแข็งของอ่อนอันนี้ของแสงสีสวยสดที่เราชอบยินดีก็เอาไปเอามาเอามายึดอย่างเช่น คอยนินกินดาแก้วแหวนเงินทองเนี่ยเราเอาสมมุติเนี่ยเห็นไหมอ๋อเราสมมุติมาตั้งค่าราคาเท่านั้นไอสตังที่เขาเรียกว่าเงินเนี่ยมันก็แค่กระดาษนะเป็นกระดาษชนิดพิเศษที่ทัวโลกยอมรับว่าฉันกระดาษชนิดเนี้ย ไม่สามารถรอบเรียนแบบได้จะต้องเป็นชนิดเดียวกันต้องเป็นอย่างนี้ที่มนุษย์สมมุติและสร้างขึ้นมาเห็นไหมเมื่อสร้างขึ้นมาเราก็สร้างมูลค่าว่านี่คือเหรียญบาทเหรียญบาทนีก็ทำมาจากแร่ดีบุกแร่นั้นแร่นี้ทองแดงผสมกันทำยังไงให้ผสมแล้วเนี่ยใครรอบเรียนแบบไม่ได้ ผิดกฎหมายกฎก็คือข้อบังคับกับมนุษย์ตั้งขึ้นมาอีกก็เหมือนรูปนามที่สมมติเลยรูปก็คือรูปร่างหน้าตาที่เป็นผู้หญิงจะต้องมีลักษณะอย่างนี้เรียกว่านางหรือว่านางสาวหรือว่าเด็กหญิงเห็นไหมสมมติรูปร่างที่เป็นผู้ชายก็เรียกว่าเด็กชายเรียกว่านาย มีรูปร่างผู้ชายอย่างนี้อะไรที่เราไม่มีเนี่ยเราก็อยากมีเห็นไหมคาว่าอยากมีก็คือความสมมตุติคนรูปร่างสวยแค่ไหนก็ไม่ไป ม, ม่พ้นกับกราร ม, มาตัณหาไอ้ที่รูปงามรูปสวยเนี่ยที่เขาแต่งตัวกันเนี่ยแต่งไปเพื่ออะไรผู้หญิงผู้ชายรูปรอเนี่ยแต่งตัวรอเนี่ย ทำตัวดีทำเป็นมารยาสาไถมองกันไปมองกันมาดูกันไปดูกันมาชายเนี่ก็นึกปรุงแต่งว่าผู้หญิงมีเรื่อนร่างอย่างนั้นมีสภาพอย่างนี้จะต้องเสพเขาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นจิตวิญญาณที่สมมุติออกจากร่างนะสมมุติสมมุติ ตามองเห็นก็เกิดมาปรุงแต่งเกิดใจสันสะท้านเกิดอารมณ์กามกามก็คือมีความรู้สึกว่าอยากจะสมสู่นั่นเองไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ต่างๆก็เหมือนพ่อแม่เขาสมสู่กันเมื่อสมสู่กันแล้วมนุษย์ก็จะต้องมีวัยเจริญพันธุ์จะต้องมีการสืบพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ ก็เหมือนกับพืชธ น, นนาพืชต่างๆที่มันมีดอกมีมเมล็ดเหมือนกับสัตว์ต่างๆที่มันมีลูกเรียกว่าลูกช้างลูกวัวลูกหมูลูกหมาลูกกาลูกไก่ก็มีการเจ็บพันกับสืบพันขยายพันพระพุทธเจ้าได้มองเห็นว่าโอ้เน อ, อมนุษย์เกิดมาในเวียนวาย ผู้ชายขี่ผู้หญิงผู้หญิงให้ผู้ชายขี่มีการเสพกันไปเสพกันมาตายแล้ววนเวียนผูกพันกันร้องห่มร้องไส้ร้องไห้เกิดความทุกข์พัดพรากจากกันร่างกายก็รู้อยู่แล้วมันจะต้องตายเสื่อมสลายความสดความสวยความเป็นหนุ่มก็จะเกิดการเป็นวัยชราเห็นไหมปัญญาเนี่ย องค์สมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีปัญญาปัญญาก็คือมองเห็นมองเห็นแล้วเอามาพิจารณาตัวเองว่าโอ้เนอะเรากินซากพืชซากสัตว์เนี่ยกินเหนี่ยวโหเป็นรถสิบลอ้อเลยกินชีวิตผู้อื่นกินสิ่งสกปรกโสโครกกัดกินกืนเข้าไปมันสิ่งดีที่ไหน ในปากเราก็เหม็นคลุกครั้งด้วยเศษอาหารร่างกายของเราพอถายออกมาเนี่ยก็เหม็นคลุกคลงไปหมดร่างกายของเรา เ, เปียบเสมือนถุงห่อขี้ร่างกายเราต้องเช็ดต้องร้างอยู่เสมอต้องต้องกินซากพืชซากสัตว์กินสิ่งสกปรกโสโครกไม่รู้ว่าโรคภัยมันมีหรือเปล่า มันเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือเปล่าก็พยายามเอามาปิ้งเอามาต้มเอามาผัดเอามาคั่วเอามาใส่รสเปรี้ยวหวานมันเค็มโอ้เนอพระพุทธเจ้าท่านมีสติปัญญาว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยต้องมีการเสพมีการขยายเผ่าพันธุ์ไอ้ที่เขาเรียกกันว่าครอบครัวนั่นแหละไอ้ที่มึงไปครอบครูมานั่นแหละ ไปเรียนรู้มาเ็าเรียกว่าครอบครัวก็คือครอบครูพ่อแม่ทำชั้นใดเนี่ยมึงเนี่ยได้เรียนรู้เป็นครูใหญ่มาจากพ่อแม่เลยพ่อขี่แม่เราเกิดมาเป็นผู้ชายก็ต้องขี่ผู้หญิงผู้หญิงจะต้องถูกผู้ชายขี่ผู้หญิงถูกหญิงถูกใจขี่ก็จะต้องเป็นยังไงยึดมั่นถือมั่นด้วยความรัก ยึดกันว่าจะต้องไม่พัดพลากจากกันจะต้องสแสวงหาบ้านหารถหาแก้วแหวนเงินทองตัวเองก็ลำบากากากกรรมอยู่แล้วกัดซากพืชซากสัตว์อาศัยไปวันๆเชา้าเย็นกลางคืนดึกเดินขอนคืนก็ตะเกียกตะกายคุยเขียหากินเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานเช่นเดียวกัน ค่อยๆพิจารณาหาเหตุไปโอ้เนอใจก็รู้สึกหดหูใจความโลภที่อยากได้ก็รู้สึกหดหายไปในจิตใต้สำนึกความบันดาลโทสะโกรธที่อยากจะเข้นฆ่าไม่ยินดีพอใจพอเห็นตัวอานิจจังเป็นตัวเสื่อมโทรมเสื่อมสามของการเกิดมองเห็นแล้วรู้สึกใจหดหูอีกแล้ว ใจหดหู่ก็ไม่นึกถึงความอยากได้ไม่นึกถึงความพยาบาทอาฆาตไม่รู้จะโกรธใครเกลียดใครพอเห็นตัวแล้วโอ้โหเราเนี่เหมือนเป็ดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนที่กินความชั่วหยาบของสัตว์ต่างๆอบายวูมเข้าไปอยู่ในตัวในตนไม่รู้ว่ากุ้งหอยปูปลา มเห็ดเป็ดไก่ที่มันอยู่ในกระแสเลือดเราเนี่ยมันมากน้อยเพียงไรร่างกายเราก็คิดว่าสวยงามอียามันมีแต่ซากพืชซากสัตว์ทั้งนั้นเลยเหรอเนี่ยเวลาเราเป็นแผลมันก็เป็นหนองอักเสบ ป, ปวดละเกินเป็นหนองเหม็นไปหมดหน่าเกลียดน่าชัง ตาเราก็มีขี้ตาโอ้เนาเราพยายามต่อขนตูดขนตาให้มันสวยงามเหมือนกไก่ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอุปมาอุปไมยทั้งนั้นเลยเหรเนี่ยโอ้เนาเราก็ไม่ต่างกว่าสักพืชสักสัตว์สัตว์เดรัจฉานการกินจัดหมูหมากาไก่มันก็กินอย่างนี้นอนอย่างนี้ เพียงเราเป็นผู้มีสติมีปัญญาพัฒนามาก่อนจึงมีเสื้อผ้ารู้จักถักทอรู้จักเอามาใช้ประโยชน์จากสร้างพืชสร้างสัตว์ให้เป็นของดูเหมือนสะอาดดูเหมือนดีกว่าสิงสาราสัตว์อื่นๆใดแต่ประพฤติกรรมของเราเนี่ยก็ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานของในโลกใบนี้ เมื่อประกอบกรรมดีรู้สึกเบิกบานใจถูกใจสบายใจอ๋อไอเบิกบานใจสบายใจเนี่ยมันแค่สมมติมีความรู้สึกเท่านั้นเองหรือเวลาเราโกรธเราไม่ได้อย่างใจปานาสิ่งใดแล้วไม่ได้อย่างใจแล้วคนอื่นไม่รู้ใจว่าเราต้องการอะไร มาเอาของเราไปเรายึดมั่นถือมั่นนึกว่าของเรานึกว่าตัวกูของกูรูปกูครอบครัวกูตระกูลกูใครมาทําร้ายเนี่ยโอ๊ยโกรธพยาบาทอาการอ๋อไอโกรธพยาบาทแค่ปรุงแต่งทําให้ใจเนี่ยมันเต้นแรงมากเหงื่อตกหน้าแดงรู้สึกแสดงความเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่มนุษย์หรอเนี่ยโอ้เนอ เออถ้าเราไม่มาพบหลวงพ่อเนี่ยเราจะรู้ไหมนอไอโกรธนี่ก็คือการปรุงแต่งความรู้สึกเมื่อกอดเสร็จเดี๋ยวก็รักอีกแล้วเอ้มันยังไงแน่ชีวิตเราเดี๋ยวก็หัวเราะยิ้มเบิกบานใจชื่นใจเอ้เดี๋ยวก็ร้องไห้เสออกเสือื่นเสียอกเสียใจอาการต่างๆ น, นานาได้ขาดสติขัดปัญญา ในการพิจารณาหาเหตุหาผลออ ย, ยาเราก็เหมือนคนบ้าที่ขาดสติเป็นคนวิกลจริตที่ไม่มีสติปัญญาคิดรอบรู้ด้วยเหตุและผลว่าอ้อเราปรุงแต่งทั้งสิน้นมนุษย์เกิดจากอารมณ์ที่จิตที่เป็นวิญญาณที่เป็นอากาศอากาศสาธาศึกเรียกว่าถาดนม เป็นอากาศเป็นธาตุลมนะั่นคือจิตวิญญาณลมเนี่ยก็คือพัดวีไปไม่รู้ทิศรู้ทางถ้าเราไม่มีสติถ้าเราไม่เอาลมมาเป็นประโยชน์ปั่นไฟฟ้าเราก็มองเห็นลมที่ไหนพัดวีต้นไม้โยกไปเวียนมารู้สึกร้อนก็อยากได้ลมสมมุติไอที่ร้อนปุ๊บลมไม่มาเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าเอ้ย วันนี้ทำไมลมไม่พัดเลยมันร้อนเหลือเกินอาการร้อนเนี่ยก็แค่สมมุติทางกายเรียกว่าจิตวิญญาณนักปฏิบัติทางลายเห็นเขาคุยกันนักกันนาว่าไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานไอโง่ยิโง่ได้แต่พูดได้แต่ฮ่าตะหอนเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนกาไก่ที่มันร้องตามภาษาของมัน เราก็ร้องตามภาษาที่ว่ามันโศกมันเศร้าแก่แค่คาดคะเนเดาความสมมุติเกิดขึ้นทั้งหูทั้งตาที่ไม่ยินดีพอใจพอเรายินดีพอใจเบิกบานก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนคนที่เราเกลียดเราก็เห็นแล้วมันก็ไม่พึงพอพอใจปรัชนาคนที่เรารักเราชอบเราก็อยากเจออยากเจอ เบิกบานใจชื่นใจอ๋อไอความเกียดก็คือความสมมุติปรุงแต่งขึ้นมาเองเหรอเนี่ยเมื่อเกียดใครจะเกียดได้ทั้งตลอดวันตลอดคืนตลอดที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยจะเกียดไม่มีอารมณ์ดีเลยมันก็เป็นโรคจิตประสาทแล้วคนไม่มีสติแล้วคนบ้าแล้ว เกียดได้ทั้งวันทั้งทุกเวลารักมีอารมณ์รักตลอดเวลาวันหนึ่งไม่มีลมอารมณ์เกียดเลยมีแต่รมอารมณ์รักเจออะไรก็รักหมดไอรักขโมยยที่เขาฆ่ากันติดคุกติดตารางไอความรักรอเรือเนี่ยมึงถึงได้เสพกันยินดีพอใจได้รักกันปรารถนา รักกันเดี๋ยกวก็เกลียดกันเดี๋ยกวก็รักกันเดี๋ยกวก็โกรธกันโอ้หนาจิตวิ ญ, ญญาณกักายวิ ญ, ญญาณที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งไว้ไม่ได้เพราะเราขาดสติเมื่อตั้งไว้ไม่ได้ก็ต้องเสื่อมไปก็คือตัดใจออกไปเมื่อเราไม่รู้เหตุรู้ผลเนี่ยก็ขั้งขาดใจ สติปัญญาเราเนี้ยก็ทาใจไม่ได้ฝังใจต่อความโกรธพยาบาทอาฆาตมีแต่ความโลภอยากได้ของคนอื่นไม่เคยคิดว่าอ้มูลค่าเนี่ยเป็นของสมมติเราไฟฟ้า ก, กักเก็บไว้เท่าไหร่ยากตะเกียกตะกายเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถที่จะเอาไปในขณะที่เราตายลงไปแล้วเรียกว่าอัดนิจจังเป็นของไม่เที่ยง อันดิจังทุกขังเมื่อเราได้แล้วเก็บไว้ไม่ได้พัดพลากจากของลักที่เรายึดมั่นถือมั่นในความสมมุติกระสีใจบางคนถึงกับผูกคอตายขาาชีวิตผ่านพราดชีวิตตัวเองไม่คิดว่าพ่อแม่เลี้ยงดูมาเนี่ยหนึ่งชีวิตเนี่ยยังไม่ได้เลี้ยงดูท่านตอบเลย วัวควายช่างมาที่เราเนี่ยเรียงมาเ่ยแล้วยังไม่ได้ประโยชน์เลยมันก็มาตายจากไปก็เสียใจเขามารักขโมยเราไปเราก็ทำใจไม่ได้ตัดใจไม่ได้เป็นทุกข์เศร้าหมองหน้าตามนหมองใจตอมใจตายก็มีนะโอ้เนอจิตวิ ญ, ญญาณกับกายวิญญาณโอ้สมรถะเขาให้พิจารณา แบบนี้เหรอเรียกว่าสมถะสมถะก็แปลว่าจะต้องพิจารณากายในกายเมื่อเราเห็นตัวตนที่ไมวใจของตัวตนเห็นตัวตนเนี่ยเป็นซากพืชซากสัตว์เป็นสิ่งปฏิกูลเปื่อยเน่าเป็นหลังของโรค ก, ก็คือร่างกายเราก็เลยรู้สึกไม่ยินดีพอใจมากนะัก อยู่ก็สัตวะอยู่เพื่อให้มันอยู่ไปเห็นก็สัตวะเห็นได้ยินก็สัตวะได้ยินได้สัมผัสถูกต้องก็รู้ว่ามันสัมผัสถูกต้องไม่เอามาคุณนคิดยึดมั่นถือมั่นได้โอ้เนอร่างกายเราก็ยึดไม่ได้สุขเราก็ยึดไม่ได้แค่ปรุงแต่งทุกข์เราก็ยุกยึดมันไม่ได้แค่ปรุงแต่ง เมื่อเราคลายใจมีสติปัญญารู้เท่าทันกิเลสที่มันปรุงแต่งความโรคกรดหลงมาเราตัดใจละใจด้วยเหตุด้วยผลพิจารณาอยู่เนืองๆ เ, เนี่ยจิตวิญญาณเราก็รู้สึกว่างเปล่าจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกเราเนี่ยมีเหตุมีปัจจัยมีสติมีปัญญารอบรู้เท่าทานันปัญญาก็เกิด ปัญญาคือความรูวร้ว่าโอ้เนอเราจะมาคิดทำไมเราจะมาเครียดทำไมขณะนั่งเฉยๆโถไอ้กายหยาบๆมึงยังปวดเมื่อยทรยศกูกูกินกูอาบน้ำกูเอาเครื่องปะทินโฉมมาทามาแต่งให้ตัวกูหลอสวยอยู่ตลอดเวลาอ้อไอ้ทรยศ ไอ้ดินน้ำลมไฟไอ้เวนห้าร้อยไอ้ซากศพเอ้ยแค่เริ่มมาก็เหม็นแล้วเนี่ยเช้ามาปากเหม็นไปหมดเลยเพราะเราหายใจเศษอาหารที่มันบูดเน่าอยู่ในท้องเนี่ยมันออกมาตามลมหายใจตาก็มีขี้ตาเต็มไปหมดร่างกายก็มีขี้เงือขี้ใครมีกลิ่นครุกคลุ้งไปหมด ร่างกายภายในก็มีกระเพาะขี้กระเพาะเยี่ยวเอเศษอาหารซากพืชซากสัตว์ที่เรากัดกินแล้วกลืนเข้าไปทั้งเปรี้ยวทั้งหวานไอ้กระเพาะมันโวยได้มันคงโวยแล้ววะโอ้โหมึงจะเอาอะไรมาทับถมใส่กูนักหนาอีกกวาดตับเอ้ยไอ้ตาเนี่ยถึงก็กระพิบเป็นร้อยเป็นร้านร้านร้านครนั้งทําความสะอาดกลัวไม่ชัด กรพริบทั้งวันเลยไอ้ขนตาเนี่ยไอ้น้ำตาก็พยายามรังน้ำตามารอรื่นไอ้ขนตาพยายามปัดพัดวีไม่ให้อะไรมันมากระทบตาแสงที่มองเห็นชัดไม่ชัดโอ้ยเพ่งกันใหญ่มองกันจ้องกันเขาบอกอันนี้ของมีราคาของสั่งเสร็จแค่ปุง แต่งเขาพูดว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ตามมองไม่ชัดยังเอากล้องมาขยายแต่ที่ห้อยคอกันเต็มคอหมดเ่ะล้มถ้าจะลุกไม่ได้นือไอ้ที่ใส่หูหูมึงเบานักเอาไปห้อยไว้ปากมึงเไอ้ที่กินซากพืชซากสัตว์ไม่รู้ว่าตัวอะไรแน่หมูเนี่ยมึงมองในตัวมึงที่ว่าหมูมากไหมไก่มากไหมปลามากไหม ปากมึงเนี่ยเอามาสีมาทางง้องแหม่ก็บอกปากสวยอย่างกระจับจับอะไรมึงอะฟันมีสามสิบสองซี่อาการส า, าริสองยังไม่บอกนะยังไม่รู้เลยว่าฟันเราเนี่ยทําไมมีสามสิบสองซี่ทําไมเรามีครบอาการสามสิบสองเรียกว่าสามสิบสองเรียกว่าไม่พิการฟันมึงเนี่ยเกิดมาสามสิบสองซี่ ทำไมเขาเรียกฟันกามไอ้กามมตะหานี่มันเหนียวแน่นมากผูกพันกันเลี้ยวรัดกัดคบควนบี้ขยี้จนสร้างพืชสร้างสัตว์เนี่ยกระจายแตกละเอียดละออมหมดต็เหมือนกับมึงนี่แหละแต่งงานกันนะอยู่กินยึดมัน่นถือมั่นเป็นผัวเมียจนร่างกายเสื่อมสลาย พี่ตายหาไปแล้วยังมองไม่เห็นว่าโอ้ยังไม่ชังนักในเรื่องของกรมยังมีความแน่นหนาเหนียวลังยึดมั่นอยู่ตายแล้วก็เวียนไหวเหมือนเรากินสร้างพืชแล้วก็ถ่ายออกไปแล้วก็กินใหม่อยู่อย่างเนี้ยถ้าเราไม่มีปัญญาคิดนึกเนี่ยเนี่ยวันนี้เริ่มเข้าสมถะเริ่มสอนสมถะแล้ว แล้วก็เริ่มสอนวิปัสสนาเรียกว่าสมถวิปัสสนามันจะต้องควบคู่กันไปเหมือนกายวิญญาณกับจิตวิญญาณเราปฏิบัติมามากมายเราไม่รู้เลยว่าไอ้กายวิญญาณเนี่ยมันคืออะไรจิตวิญญาณเนี่ยก็เถียงกันเนี่ยไอ้นั่นมัง้งไอ้นี่มัง้งเสียงนั้นนี้มัง้งมากระทบกายวิญญาณเรียกว่าจิตวิญญาณรับรู้ รูปรถกินเสียงเรียกว่าจิตวิญญาณเอาละวันนี้คงได้สติได้ปัญญาในการฝึกเริ่มเข้าละเอียดอ่อนยังมีเวลาอีกไม่กี่ราตีที่จะได้เจอะเจอกับลุงพ่อเราต้องบําเพ็ญเพียรด้วยตัวเราเองด้วยจะให้เขามาพูดชักจูงดึงกาะหูข อ, ข อ, อยู่ทุกวันในขณะว่างๆก็ค่อยๆมอง หาเหตุหาผลที่อย่างหลวงพ่อวา่ากายวิญญาณจิตวิญญาณปัญญากับสติความรอบรู้ในกองสังขารก็คือปัญญาบารมีพอระเชา้ชาๆอย่างนี้ขาดว่าจิตของท่านทั้งหลายถ้าไม่พังเผยก็คงได้ขึ้นสวรรค์บางเนื่ยบางคนอาจจะเข้านิพพานไปก็ได้บางคนก็เข้านิพพังหลับไปเลย ค่อยๆถ อ, อนสมาธิค่อยๆหายใจยให้เป็นปกติแล้วค่อยๆเรืมตารู้สติเข้าออกค่อยๆเพื่อจะได้กวดน้ำสืบต่อไป